การคนก็ามาไปนีนะดีดีด <c oughs> เพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันกันยานมิตรที่บุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามขันยานธรรมก็คือมีสติมีสัมชัญญะมีการปฏิบัติโดยจากแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกทำความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์แต่ว่ากันยานธรรมเรามีกันยานมิตรกันยานธรรมของชีวิตเราเยี่ยงพวกเรา <c oughs> ทาหน้าที่โดยตรงปฏิบัติธรรม อ่าศึกษาชีวิตของเราในชาตินี้ในพบนี้แหละไม่ใชพบด้มใดอยู่ในเทวดาอยู่ในสวรรค์ในอินในพมในนรกไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในนี่แหละ อ, อยู่ในชาติที่เราเ็นมนุษย์ที่เป็นคนน่ยไม่ใช่ไม่เลือกทุกสาขาอาชีพไม่ได้เลือกเพศเลือกวัลทัทธิในกายใด เรามาปฏิบัติมันมีสติสติมันจะเกิดขึ้นในโลกนี่แหละในโลกที่มีทุกในโลกที่มีโกรธไม่โลกไม่หลงนี่แหละถ้ายังมีทุกอยู่ก็ใช้ได้ล่ะปฏิบัติได้แต่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเป็โอกาสที่เราจะต้องปฏิบัตินี้เกิดมีแก่มีเก็บไม่ตาย เราก็ทําได้จริงๆริเวลาใดมันหลงเราก็สร้างความรู้ความรู้สึกตัวแล้วเราก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เสียหายเวลาหลงก็รู้ไม่เสียหา ย, าห ย, หายถ้าหลงหลงไปเลย น, ะนั่นไม่ดีเนินช้าแต่มันหลงหลงไปเราจะได้รู้ เราไม่หลงก่อสร้างตัวรูดอยู่นี่ละในตัวรูดสุกตัวรูดสุกตัวอยู่เนี่การกระทําด้วยมือของเราโดยชีวิตของเราเองไม่มีใครที่ทําให้เราได้ต้องมีความมั่นใจขนาดนั้นล่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้การกระทําเป็นเรื่องของเราเอง ความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ของเราความหลงก็เป็นความหลงของเร า, า, เ, ราเหตุปัจจัยที่ทําให้หลงมันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้รู้สึกไม่หลงก็มีเหมือนกันอนอนะี่หนุกนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้ของที่ทําได้ถ้แไปมอบให้บุญวาดาสนาปลารมีที่ไหนที่ไหนวัดาสนาก็คือทําเอาด้วยนีย่แหละปลารมีคือทําให้เต็มให้พร้อม มันหลงมาไดก็พร้อมที่จะลูกนี้เราพลาดเราม่พร้อมอยู่้ทุกอกามันทุกกระพร้อมที่จะดับทุกให้มันได้ไม่ใช่ไปอ้อนวอนจะทําจิตอื่นสิ่งอื่นหรอกตาตาเหตุตโนโนนะโถนี่แหละเทานี่แหละจะเป็นผู้กระทาเริ่งพวกเรามี วิชากรรมฐานสุดยอดเลยสุดยอดของวิชาที่ศึกษาชื่อมันก็น่าลากแล้วกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทั่มมีฐานที่ตั้งก็ะทําอยู่ที่ตั้งมีสติตั้งไว้อยู่สิ่งที่ตั้งมันก็มีมีกายมีใจก็มีเท่านี้แหละ พรนะลร่างในกายกับใจเท่านเองแหละตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้นานนานานเข้าแล้ก็เหมือนกับปูต้นไม้ปลูกลงไปฝังลงไปในดินมันก็มีโอกาสที่จะออกลากสร้างลําต้นกิ่งกานสาขาเกิดดอกออกผลทุกความรู้สึกตัวด้วยแท้ะทจะกลายเป็นมากเป็นผล เียกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งมัลื่นหรอกไม่ใช่ไปซื้อไปหาไม่ใช่ไปป้อนวอนต้องมีการกระทําของเราเนี่แหละตังไว้รู้เอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บาแบกถามความรู้เน่ะเหมือนคอมพิวเตอร์ฉันันเก็บเอามันเก็บเอาเก็บเอาความรู้เก็บเอาความรู้ ให้ข้อมูลดีๆแก่ชีวิตเราสิ่งไหนมาไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดีปฏิคือเปลี่ยนร่ายกายเป็นดีเปลี่ยนผิดกายเป็นถกูกปฏิ บ, บัติาทางไหนไม่ไม่ดีทางตาทางหูเปลี่ยนเป็นความดีเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นเปลี่ยนได้ทั้งหมดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนเป็นตัวลูก ้างตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจรูปรสเสียงเปลี่ยนเป็นตัวรู้ให้มันสารพัดนึกมนุษย์สมบัติจริงๆแหละชีวิตเราเนี่ยเราจะไปอ้อนวอนในชาติใดเมื่อใดเวลาใดเวลาใดที่มันลงน่ะมันเป็นโอกาสของเราเวลาใดที่มันทุกข์น่นะเป็นโอกาสของเราสร้างเอาเปลี่ยนเอา ไม่ต้องไปอ่อนอ่อนเปลี่ยนได้ทันทีวนได้พูดถึงเรื่องโลกเรื่องนามโลกมันทํานามมันทําะโลกมันทําดีนามมันทําดีโลกมันทําชั่วนามมันทําชั่วตัวตสติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นโลกทํานามทามันธรรมชาติที่มันมีกับโลก หากในหลายอย่างธรรมชาติที่เกิดกับลูกธรรมก็คือธรรมชาตินี่แหละเราเห็นมันเอาไปตู่เอาของเขาเห็นว่าไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เพาะไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสัจธรรมของลูกไม่ใช่สัจธรรมของจิตของนามถ้าเราพัฒนา ถ้ไม่พัฒนาน้ำหมดเรลวไร้คนลูกไปอีกล่ะลูกมันยังมีที่อยู่อาศัยในบ้านมีเรือนมีข้าวปลาอาหารมีเครื่อ ง, องนุ n g ห่มน้ำนี่ก็จนกว่านี่ถ้าเราไม่พัฒนามันเมื่อเราพัฒนามันยิ่งมีที่อยู่กว่าลูกอีกธรรมตะตัถ้าเราพัฒนามันเอา ลกมันไม่อามาตะนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปของมันอยู่ไหลไปไหนไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันเวลามันกลืนชีวิตเราไปชีวิตของลูกแต่มันกลืนชีวิตของเรามไม่ได้ถ้าเราพัฒนามันไม่มีเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยักษ์ใหญ่ใหตาสองตา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 แต่น้ำไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามันมันคงในที่อยู่ไม่จนแต่บางคนจนมากๆผมร้ายข่มดีบางชีวิตนะวันดีสี่วันลายจนไม่รู้จะทำอย่างไรอะไรมาก็เอาหมดรับเอาหมดไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นอิสระรับใช่รับเป็นทาตของอารมณ์โอ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 โรคโรคนามโรคโรคของลูกรักษาเยียวยาตามเหตุตามประจัยแต่โรคของนามเราก็รู้เราก็ศึกษาแล้วก็รักษาได้จบไม่ต้องเกิดโรคอีกแต่โรคของูนามเกิดอยู่เรื่อยเช่นความหิวเป็นโรคของลูก แกไม่จบไม่สิ้นต้องกินความหนาวผอมผ้าแถมก็ยังหนาวอยู่ความร้อนอาบน้ำาันีองของกินแลนในโลกเนี่ยบางคนจะกินกับลกูกผลขอยที่จะเอากินกับลกูกเาโอกาสวิ่งหาเป็นท่าของโลกตลอดเวลาก็ไม่ศกศกศกศกหาความสุขแบบปีนไป ไปยินไปเห็นไปถึงยอดก็ตกลงมาเป็นสุขที่มียอดแต่นามาทํานห่เป็นสุขกเกษตรสุขที่ไม่มียอดเช่นเราเป็นขี้กลาบคนเก่าขี้กลาก ก, ลา ก, ลาก็เหมือนกับมีความสุขแต่รักษาขี้กลากให้หายจะเรียกว่าความสุขก็ามเใช่พราะไม่ต้องเกา่า การูดภาษาของนามไม่ต้องไปรับใช้อะไรสุกเกษมสุกไม่มียอดลูกมันทุกนามมันทุกแต่ทุกของนามเนี่ยแก้ได้ทีเดียวจบไปตลอดชาติเหมือนพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาวัด ต, ตัดผมขั่งเดียวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นได้ทางกิตใจ ทางคุณธรรมพุทธะตัวเนี้ยโลกตัวตื่นตัวบิกบานเป็นได้ทั้งกิจใจแต่อาศัยรูปตัวนี้มีการกระทำอาศัยกันเป็นเหตุอาศัยรูปนี่เหมือนกับเรือเหมือนกับพงแพรที่ต้องขี่ข้ามให้ได้ถ้าไม่มีรูปไม่มีน้ำก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำดีทำอะไรได้โชคดีของพวกเราแล้ว ในโลูกก็มีมือเคลื่อนไหวได้ลูกได้เดินได้แต่ไม่มีเคลื่อนไหวได้ก็มีกายมีใจเขาปฏิบัติได้อาจารย์กระพลเนี่ยมีมือก็ใช้ไม่ได้มีอะไรส่วนขาส่วนแขนก็ใช้ไม่ได้ชัได้แต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในกายมีกายมีกิจหายใจเข้าหายใจออกแต่เคลื่อนไหวก็ได้น้อย แต่ก็มีมีนสีที่สำรวมได้ดีกว่าคนที่มีตามีหูมีขามีแขนอยากเลิกลุกไปเลยอยากเกินั่งก็นั่งลงเลยบางที่เอาไว้จะว่ามันมีโอกาสทําไมหลงได้ชาติหนึ่งไม่มีโอกาสจากลุกก็ลุกไม่ได้จากไปจับพนุ่นอยากเดินไปตรงนั้นก็เดินไปไม่ได้ก็เลยสำรวม มาลู่อยู่แต่โฟ ก, กายเพราะใจที่ไม่ส่วนลูกแคบๆคมันก็เลยเกิดอาจจะไม่เหมือนคนที่มีวิวัฒน์ใช่ได้สะดกวกสบายอาจจะเป็นปอกเกิดถึงการสร้างความลงได้มากเหมือนคนตาบอดก็มีสัญญาเขาเอาศัยสัมผัสแล้วก็ลู่เหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทสัญญาที่เขาลงออกแกวบ้านเดินไปรอบบ้านได้เดินกลับบ้านได้ อันนี้ก็จักสารได้แต่คีวิตเราบางทีถ้าเราใช้มันไม่เป็นก็หลงถ้าใช้เป็นโอ้ยเกิดประโยชน์ใน ม, มือก็มายกมือสั่งจงังบวะในขาก็ใช้ให้ไปเกิดความรู้สึกถ้าใชใ้เกิดความหลงมีตาก็ใช้ใช่ตาในหูก็ต้องใช้หู จาให้ตามันใช่จาให้หูมันใช่ตลอดถึง <c oughs> กิตใจก็เอาใจมาใช้เอากิตมาใช่สิเรานี้เป็นคลังของสติสติเป็นเจ้าของหยิบมันมาใช้ใช้ปัญญาด้วยสตินะมัอนกับคลังของสติจับมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะใช่เรากิตใจมันจะใช่เรา ตายจะใช่เราซกๆกๆกซกโนนี่จริงๆริปฏิบัติธรรมนะมีข้อมูลที่ทำไมเกิดพุทธะเยอะแยะมากมายก่ายกองถ้าเรามีหลักถ้าเราไม่มีหลักก็เกิดข้อมูลทำให้หลงมากทีเดียวละ่ะโชคดีเหลือเกินที่บอกเราเวลานี่วันนี้เรามี อะไรที่พร้อมอยู่แล้วเรนั่งอยู่เราจะลูกเราจะเดินเราจะลู้อะไรลุ้อได้ทันทีให้มั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมอย่าไปมอวเดินลังเลสงสัยอยู่อ้าวเราในวันพร้อมแล้วนะเนี่ยแต่ยกคลิกมือกันก็ลู้ได้เลยกว้างมือก็ลู้ได้หายใจดูก็ลู้ได้ปิดตาก็ลู้อได้กลือน้ำลายก็ลู้ได้มนุษย์สมบัติน่ะ วันนี้เป็นโอกาสที่เราจะทําอะไรได้พอหลวงพ่อเทียนบอกว่าที่เมื่อึ้นรู้สึกไ้มรู้สึกยกรู้สึกไ้มรู้สึกนี่แหละทําเท่านี้ทําเท่านี้หรือหลวงพอ่อทาเท่านี้แหละหลวงพ่อเทียนบอกโอ้ยเราก็คิดว่าถ้าจะพูดแบบคนมีความสามารถอุย้ยภาษาอะไรเท่านี้นแะต่มันคิดไว้ก็จะไปตามความคิดนะให้กลับมาลูดตัวนี้ มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เอาแม่แต่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสีเห็นแสงก็จะไปเอาให้มารูดตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยท่านบอกเขาเนี่ยเราก็หาที่เลยพวกเราสมัยผมไปปฏิบัติธรรมกติก็ไม่มีเรไปขอเตียงวัดบ้านฝากภูไปเตียงพระไปช่วยหามมาเป็นโยมไป ทำไมซื้อผ้าพลาสติก20บาททำหลังคาฝนตกเหมือนกับปีนี่ปบปกปบปบปปอยู่ใต้ต้นไม้ล่มไม้เสียงฝนตกใส่ผ้าพลาสติกปบปบปบปบปบปบประกอบก็รอนั่งสร้างแคว้นเดินก็เดินไม่ได้เห๋อนอนก็ง่วงนอนก็ง่วงนอนนั่งสร้างแคียงว้นอยู่ในเตียงที่มีหลังคาผ้าพลาสติก สองข้างเป็นหนามหามคัดเข้าในทางเดินพอเดินได้อยงเดินตามเป็นผงผงกับแม่กับแม่พึ่ง ถ, ถ้าเราเดินในเตียงก็อยู่ในมุง่งทำเท่านี้หรือทำเท่านี้เราก็มั่นใจแล้ว มือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกอ้าวอ้ามันก uh, ็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาความรู้เวลาไดหลงก็ยิ่งดีจะได้มีบทเรียนจะได้รู้มันเวลาได้มันงงงงอ้าวตบขาตกแขนตึกตักเปิดตักลู่ลื่นตาขึ้นมองไปโน่นมองไปนี่เกตนาสองไปโน่นสองไปนี่มองหาเพื่อนหามิตรเอาความรู้สึกไปข้างนอก ก็ลูล่เราก็กลับมากาหนดตั้งต้นใหม่เรื่อยๆอยาให้มันเก่าเรียบร้อนะเรียบร้ อ, อยจาให้มันเก่านะมันเก่ามันพลาดฉันสร้างแค่ว่าไปนานๆหน่อยมันพลาเครื่องลูกเครื่องหลงก็หยุดหยุดก็มาหายใจหายใจเข้าหายใจออกสุดลมแรงๆให้มีความรู้สึกวางหน้าวางตา ตั้งโทตัวใหม่ยืดตัวขึ้นยืดคอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตั้งคอตั้งใบหน้าหัวกำหนดอริบทจรกมือสร้างจังหวะเอาให้มันองอาจทาไปทำไปมันเก่าเอาตั้งต้นใหม่อีกแต่มันชัดชดอยู่เสมออย่าทำแบบเครื่องลูกเครื่องหลงนั่งสงกอยู่ก็ยังนั่งอยู่นะอย่าไปทาเรียน เราสงบปุ๊บต ok ัวมาโอ้ตกใจตื่นขึ้นมาโอ้ตัวนี่เหมือนตัวหลงอีกโอ้ขึ้นมามันรู้ได้มันทำได้ดาไปอ่อนเนยอย่าคล้อยตามเลยงะอย่าให้เขามาหิวไปงะกิจเนี่เป็นตัวหลอกเก่ง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 ดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นทำนมันเขาพูดกันในพูดตามเขาว่ามันก็จริงนะเหล่ากายมันก็เห็นจิตถ้าเราอย่าไปหารายละเอียดการเคลื่อนไหวนี่ก็คือจิตนั่นแหละคือประสาทคือสัญญาที่มันรู้จิตที่เราสั่งให้เคลื่อนไหวยิงอยู่ก็อย่าไปอย่าไปมุ่งหารายละเอียดให้รู้เฉยๆนี่แหละในกายเนี่ยกายจริงๆเนี่ยเห็นกายเนี่ยรู้จริงด้วยู่นะ จงก็จิตนั่นแหละถ้าเราลุ้ยที่ใครมันก็เหมือนกับสอดจิตมัน ก, นก็แม่เลี้ยงลูกน่อยลูกอ่อนแล้วอ่อนอยากให้ลูกมันอยู่แม่จะไปหุงข้าวไปนึ่งข้าวไปขวดบ้านเอาลูกมาวางไว้หาตุ๊กตาให้มันเล่นหลอกให้มันเล่นอย่างนั้นเราก็ไปทำ ง, งานได้ จิตของเราต้องกำกั น, กนหาหาสิ่งที่ให้มันเล่นเนี่ยพิธีจับจิตเขาเนี่ยแคือเอากายเนี่ยกําหนดรู้เดินไปหรือนั่งสร้างจังหวะมนให้มันเล่นอยู่ตรงนี้พอเทีมันก็ไปทางอื่นก็กลับมาแต่มันไม่มีตัวไม่ตนจิตเนี่ต้องเอาวัตถุคือกายนี่เป็นนิมิตเป็นที่ตัง้งให้มันกลับมาให้มันรอยู่ตรงนี้ สองรู้อยู่นี่นานๆๆเข า, นน า, นนานเหมือนกับสอนจิตจิตมันก็ค่อยที่จะไม่ฟุ้งซ่านค่อยที่จะโล้ทาใหม่ๆมันหลงมากกว่ารูนะเหมือนกับว่ามันคิดมากเข้ามากเข้าพอทําใหม่ๆความคิดมันทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีผ ม, มก็ยังเอามาคิดอัดมาคตที่ยังไม่มาถึงก็มาคิดไปข้างหน้าคืนข้างหลัง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 การมาฉันทะพยาบาทบางทีก็คิดขึ้นมาก็โกรธคนนั้นทำนี้คนนีทน้ทำนี้ถีนามิทะอุทาจจะกุกุจจะคิดเหมือนกับไก่เขียฟูกุกุจจะเหมือนไก่กุกกุ ก, ก, กคือไก่เขียคิดแบบไม่เป็นทิ่นเป็นนั้นเร า, าก็ลังเดาสงสัยจับจับจดจด อาจารย์ น, น่นสอนอย่างนี้อาจารย์นี่สอนอย่างนี้เราชอบอย่างนี้อันนี้ผมพูดเรื่องผมนะไม่ได้พูดเรื่องใครผมเกิดสภาวพธรรมของตัวเราเป็นนักสมถะทําไปทําไมเอามือมาวางเอามือมาวางไว้บนตักนั่งสงบโอ้บรนสุขก็ยกลงยกมือหนิมันหนักมันกับยากกลัวการที่ไปนั่งทําสมถะ ทำไปทามาก็มานนั่งมือวางไว้เหมือนถังนั่งสงบ <c oughs> อย่างนี่ดีกว่าแต่นี้ดีกว่าเราชอบแบบนี้ดูก็สวยงามกว่าสง่ากว่ามานั่งสร้างแค่วันมันไม่สง่าเลยบ <c oughs> านทีอายเพื่อนแอบทำในกติมันคิดสารพัดอย่าง เอาเหตุเตาผลเอาตนเป็นที่ตั้งแห่งความชอบความไม่ชอบไม่ยมพูดเท่าคนหนึ่งอยูใกล้ๆ ก, กันแล้วนั่งนิ่งๆท่านกำลั ง, งตะขิดเฮ้ยไปนั่งตายอยู่นะอย่าไปนั่งตายอยู่นั่นขยันหู้ขยันหูสร้างโต๊ะหูสร้างโต๊ะหู้ออกมา ตัลู่สึกตัวเอาวัดลดับตัวลู่ตัวนี้โอ้ลงมาสร้างตัวลู่เรามาสร้างตัวลู่ตัวนี้ตัวลู่ต้องประกอบต้องสัมผัสเอาตัวลู่ตัวนี้ต้องสัมผัสต้องสร้างเอากรรมเรื่องกระทำเอาไม่ใช่ไม่คิดเอารามสงบไม่ต้องสร้างหาสิ่งไว้ลอมดีๆมันก็สงบเองแต่ตัวลู่ต้องสร้างนะ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 แต่จะมองหนึ่งก็ได้ถึงสามพันลูกทาพอดีพอดีใส่ใจพอดีพอดีโอ้มันก็เจ็บเอาเก็บเอาโอ้ตัวลู่มัลู่รู่ ล, ลูมันก็ไม่หลงลู่ที่หนึ่งก็เหมือนกับเดินออกจากความหลงที่หนึ่งไกล ค, ความหลงไปเรื่อยๆทําเท่านี้ทําเท่านี้ให้ความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลู่เมื่อความหลงไม่เมยมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดธรรมชาติเกิดกฎของธรรมชาติเหมือนแสงสว่างก็กำจัดก็มมืดเมื่อเกิดแสงสว่างก็มองเห็นเราดูกายมันก็เห็นกายเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามเนี่ยมันบอกเปิดออกมาตำรามันบอกกายใจของเราเนะี่ยสงสารกายโลกทุกข์แล้วก็ใจก็ยังไปใช่มันทุกข์อยู่ พอเห็นโลปเป็นนามก็คมโลภคมโกรธคมหลงก็สั่นคลอนเต็มที่หาที่ตั้งในยาก แ, might, might, แต่ก่อนไม่ไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมต่อกันพอเห็นสติจะเป็นกลางเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลสงสารโลภสามสิบปีเกือบมึงตายนะเกือบตายเขาสั่งการเขาสั่งงานสั่งให้วิ่งสั่งให้ทำอะไรทุกอย่าง พอมาอโลูดโหอเหมือกับการปดปล่อยอยู่ใครอยู่ตัวใครตัวเราอนี่ยมาเบียดเบียนกันจะมารังแกกันจะมาสั่งงานติดติดลูกมันทุกอยู่แล้วสังไปสั่งให้มันโกรธให้มันหลงให้มันโลภอยู่สั่งให้เวทตกกองงอนคุนคิคดแล้วก็เพิ่มเติมซ่อมเติมลูกเกินไปสงสารลูกบางทีน้ําตาไหลนะสงสารตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้ลูกเลยนะ โอ้วันก็บวันลุ่งอารมณ์ของชีวิตนะเห็นโูกทุกข์เห็นน้ําทุกข์ดูทุกข์ก็ไปหรือโอ้ทุกข์นี่ยนี่แต่ทุกข์ของโลกของน้ําก็เป็นแต่ทุกข์หายใจอยู่นี่ก็เป็นทุกข์ทุกข์ของโลกถ้าหายใจเข้าไม่ออกมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วหายใจออกไม่เข้ามันก็เป็นทุกข์ต้องพลิบตาต้องกลืนน้าลายต้องกินต้องทายของนโลกนะ เป็นกองทุกข์กันหนึ่งก็รจังหวัดตื่นจากทุกข์แล้วจะยังมีโกรธอะไรม า, บ, ารบังคับทับถมลงไปอีกมันก็ไม่เอาแล้วกันก่เกิดความเบากายเบาจิตกายละหุตาจิตตาละหุตาความเบากายความเบาจิตต่างเก่าพ้นภาวะเดิมนะวนิพัฒนาแล้วกันพ้นภาวะเดิมขึ้นมา เป็นวิปัสนาล่วงพ้นอันเก่าเป็นชีวิตที่ใหม่ๆ ห, ห, หัวเก่าเห็นโลกทุกเห็นนาำทุกเห็นโลกโลกน้ำโลกเห็นสมมุติเต็มไปหมดสมมุติคือเสียงเรียงน้ำก็สมมุติคําพูดคำจาก็สมมุติเราไม่รู้สมมุติเพราะว่าหมาเราเขาโกรธเขาว่าบ้าเราเขาโกรธโอ้สมมุติเฉยๆไม่ใช่ปรมัณิปรมัณิไม่ใช่สมมุติอืม เราเห็นสมมติเรเห็นปลามัิคุมไว้ปรามัดถัดสภาวะธรรมเป็นเช่นนั่นเองความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนไม่ตัวมีตนเต็มไปหมดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจในโลกในลดในความร้อนความหนาวความหิวไม่ใช่ตัวตนวันมีตัวตนสลายลง เียว่าสักกายทิฏฐิเนี่ ย, ยไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการเห็นธรรมชาติเห็นอาการเอาล ะ, อ ะ, อะพอแล้วผมจะได้ไปทาตัวแล้อะ